u m นี้ในคําสอนความเชื่อความเลื่อมใสที่เข้าไปตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าศรัทธาของบุคคลที่ได้บรรลุอุปจารสมาธิในพุทธคุณเป็นต้นนั่นแหละอะตอนนี้ได้อย่างได้ย่างอุปจารสมาธิในพุทธคุณได้อย่าง สมาธิที่ตั้งมันถ้ายังไม่ถึงตอนนี้เอาบริกรรมมาสมาธิไว้ก่อนใช่ไหมสมาธิในบริกรรมแล้วยาวไหมระลึกพุทธคุณได้ยาวไหมตอนเนี้ยยาวขึ้นไหมถ้ายาวขึ้นแสดงว่าเริ่มจากจ่อแล้วยังไหมเริ่มปลูกหน่อของโพธิ์เอ้ยในใจแล้วตอนนี้การเดินพุทธคุณการจเจริญพุทธคุณการไค้ควร การน้อมจิตไปในคุณของพระศ า, าสดาลำบากไหมใครลำบากยกมือขึนฮะล ำ, ำบากเลยเลยบอมันยากตรงไหนอยอมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทีคิดถึงพระเจ้าคิดยากเลยคิดถึงลูกยากมัมยอมยากั้มคิดปุ๊บนี้เข้าใจเขาเลยั้ม กอแปลกดีอย่างเ่าคิดถึงพระเจ้าเราเป็นบริษัทของพระเจ้าหรือเป็นบริษัทของลูกเดอไปก็ถ้าคิดถึงลูกคิดถึงทรัพย์เราไม่ได้เป็นบริษัทของลูกของทรัพยนะ์เนาะคิดถึงได้แต่คิดถึงแล้วคิดยังไงเดีย ให้มีการเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าอ้อท่านผูนี้มาอยู่ในฐานะเป็นบุตรเราใช่ไหมอ๋อเป็นเพราะกรรมที่พระศ า, าสดาว่ามาจริงๆเลยเกี่ยวพันพระเจ้าไหมาเออเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นใครมาจากไหนเคยเป็นลูกใครมาก่อนก็ไม่รู้ต่อมามาใส่ทองเราเกิดใช่ไหมแล้วก็มายืดติดว่าเป็นลูกเราจริงๆใช่ไหม แปลกมากเชื้อโลกในท้องเราต่างเยอะเราไม่เคยคิดว่าเป็นลูกเราเลย <Rey il> ใช่ไหมเราหน้าจะบอกเป็นลูกแล้วบ้างถ้รรยาติอยู่ในท้องเราจะกรุณาเขาเท่ากับลูกเราไหมนี่คือทางที่เขาน่าจะอยู่ในฐานะเป็นลูกเราใช่ไหมก็าอาศัยกายนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่โทษของการไม่ค่อยรู้คําสอนเราก็เลยมองไม่ออกเลยเนาะถ้าใครอาศัยกายเราเกิดเราเรียกคนนั้นเป็นลูกหมดไหม ไม่เรียกแล้วตอนนี้จะมาจักไม่อยากเรียกแล้วถ้างั้นโหคนมีลูกเยอะไหมเนี่ยเยอะเลยมีเยอะหมดเลยแท้ที่จริงก็คือว่าเนี่ยเพราะความไปยึดว่าเป็นลูกเราเนี่ยเข้ามาด้วยกรรมของของเขาเนี่ยเราที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเขาก็เพราะกรรมของเราต่างฝ่ายต่างก็มาจากกรรมเนือ แล้วพอเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยเรามาทํากุศลกรรมเรื่อง ก, กุศลกรรมร่วมกันดีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาดือ้อเราจะโกรธเขาไหมถ้าโกรธเป็นกุศลกรรมเลื่องกุศลกรรมถ้าเขาทําดีเราจะโลภติดแน่นกับเขาไหมเป็นกุศลกรรมเลื่องกุศลกรรมแล้วก็ลูอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มานั่งพิจารณาโอ้มาเกี่ยวข้องแล้วก็มายึดติดเนาะแ ท, ท้จริงเนี่ยเขาให้ รับเน้นกันที่ว่าจงทำหน้าที่ให้ดีนะให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำเนี่ยนะในฐานะเป็นพูว่าก็ดูทีเเเทเเ่เพื่อเจ้าให้เราปฏิบัติต่อลูกอย่างไรและเราเป็นลูกเพื่อเจ้าให้เราปฏิบัติต่อแม่อย่างไรปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่อแม่เพราะเรากะตันอยู่ไงรู้คุณรู้คุณรู้คุณของอะไรอ่ะ ทำถ้าลูกเนี่ยรู้คุณของแม่แต่สูงกว่านั้นคือรู้คุณของบุญบุญต่างหากที่ทําให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์และเป็นลูกของแม่ฉะนั้นเราจะตอบคุณของแม่ชื่อว่ า, าตอบแทนคุณของบุญถ้าเราไม่ตอบแทนคนของบุญเลยเขาเรียกคนลืมอะไรคนลืมบุญคุณไนงะใช่ไหมเราไม่เห็นคุณของบุญ เราไม่เห็นคุณของพ่อแม่แล้วเราก็ไม่ตอบแทนคุณไม่เห็นคุณเขาเรียกว่าอักกตัญญูเนะไม่ตอบแทนคุณเขาเรียกอกตะเวทีและอย่างนี้เป็นมงคลในมงคลสามแปดไหมไม่เป็นอุดมมงคลถ้าไม่เป็นอุดมมงคลก็เรียกว่าเป็นอัปมงคลและชีวิตของการเป็นอัปมงคลก็อบายทุกติวินิบาตในโลกถ้า บำเพ็ญมงคลข้อนี้ถูกบรรลุไหมบรรลุมงคลทุกข้อเขาฟังกันแล้วเขาบรรลุไหมแต่ทําไมเราฟังแล้วไม่ <laughs> เพราะเรามองมงคลธรรมดาไงเราเป็นึกว่าเป็นมงคลงูปูุูชนไม่เอะใจบ้างไงว่าเทวดาคิดมงคลสิบสองปีคิดไม่ออกเท้าสกาก็คิดไม่ออกเราไม่เคยเอะใจด้วยไง ถ้ามงคลธรรมดาอย่างนี้ทําไมจะคิดไม่ออกอ่ะแสดงว่ามงคล น, นั้นเกี่ยวข้องกับอริยสัจ ต, ต้องตัดสู้อริยสัจได้ทุกข้อนี่เรามองมงคลผิวเผินมากเลยไม่ยอมแทงตลอดอริยสัจในมงคลเลยใช่ไหมสังเกตตัวเตะเขาฟังมงคลแต่ละข้อแต่ละข้อจิตเขากเกษมนั้นแหละไม่โศกใช่ไหมจิตเขาคลายความกําหนัดรู้อริยสัจแล้วก็บรุ มงคลทุกข้อก็ฟังมารู้หมดคนในยุคนี้ท่องมงคลกันเนยท่องเราฟัาพงพ่อเลยสมัยก่อนดีว่าก็ชอบท่องนะท่องไปท่องมาก็เอ๊ะแปลกมากพอไปอ่านอ่านไปมากนึกทำไมเทวดาคิดมงคลแค่นี้คิดไม่ออกมาเอดใจต่ทีแรกเลยนะเอ๊ะเทวดาเดี๋ยไม่มเป็นนั้นมาก คิดมงคลสิบสองปีคิดไม่ออกมึงมาไม่เห็นคิดยากอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมอาเสวนาการไม่คบคนพ่านปันดิตปันดิตตานันจะเตวนาการเสวนาการบัณฑิตปูชาจะปูชนียานางการบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาเกะมันมันไม่เห็นยากเลยที่ไหนได้โอ้โหเพราะเราไปคิดอย่างนี้เราเลยไม่เห็นสัจจะในมงคลเลยใช่ไหม อาบูชาเนี่ยบูชาจะปูชาในยานังเนี่ยบูชามีกี่อย่างกี่อย่างอามิสบูชากับกับธรรมะบูชาใช่ไหมอามิสบูชาคืออะไรอันนังปานังกลังวัดถังเป็นต้นเห็นไหมบูชาด้วยของหอมเป็นต้นเหรอเนี่ยไหมเรื่องข้าวเรื่องน้ำเป็นต้นเหรอเนี้ยหุ่นไลน์ละเอียดยุงมีตามไปนะ แต่สรุปก็คือมงคลทุกข้อท่านสอนอะไรสอนอริยาศาสตร์สอนทุกสอนเหตุให้เกิดทุกสอนความดับทุกสอนข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกการไม่ครบคนพานเนี่ยคนพานคืออะไรอ่ะกายทุจริตวิญญาณทุจริตมโนทุจริตใช่ไหมการไม่ครบการไม่เสพกับคนพานทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองบอกว่ากระแสขันของคนพานเนี่ยเป็นสัจจะอะไร ทุวกสัจจ์เลยไหมตัณหาที่เป็นปัจจัยให้คนพานกระแสขันของคนพานเกิดนี่เป็นสมุทัยาสัจจะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราดับดับอะไรดับตัณหาที่เป็นปใจใัจจัยเกิดเป็นคนพานจะได้เป็นนิโรธาสาจาัจจะปฏิปทาถึงนิโรธเป็นมารกสัจจะถามว่าเราเป็นคนพานได้ไหมได้ไม่ได้โลภะเกิดไหม โทสะเคยเกิดไหมโมหะเกิดไหมอกุศลและจิตเยเคยเกิดกับเราไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพาลาธรรมมาสภาว่าธรรมทั้งหลายที่ทําให้เป็นบุคคลบุคคลเป็นพานได้แก่อกุศลและจิตสิบสองเจตสิบที่ประกอบยี่บเจ็ดเรียบร้อยไหมเราเคยเป็นพานไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสรวมแล้วคนพานอยู่ตรงไหนในขณะที่จิตเป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นคนพานใช่ไหมคนพานควรครบไหมนั้น ขันของคนพานเป็นสัจจาลายทุกขสัจจาใช่ไหมตัณหาที่เป็นปใจใัจจัยเกิดความเป็นคนพานเป็นถ้าดับความเป็นคนพานจะได้ตัดตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เป็นคนพานจะได้เป็นนิโรธาสัจจาข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธเป็นมาษัตริย์เราไม่ได้สรุปลงอริยสัจไงเลยเอาภาวะของพาลาธรรมามาปฏิบัติแล้วก็บรรลุไม่ได้ใช่ไหมอันนี้รายอันนี้ย่อๆรายละเอียดเขามีหลักวิจัยเยอะ นี่ไงบางทีแต่นี้เราก็ไม่ค่อยอยากโกรธใช้เท่าไหร่นอไม่รู้โกรธไปตรงนี้ก็คือวิธีเยนใจต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของออกิจที่มุ่งมั่นนะอย่างพระจากกุ ป, ปาละเถระเนะี่ยท่านก็บอกถึงเนื้อและเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้า อบายสังสารทิฏฐิและทุจริตในสันดานของตนไม่สงบลงในพบนี้จักไม่หยุดความเพียร เ, เราเคยตั้งมั่นอย่างท่านไหมท่านบอกว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้ง ห, หายไปเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที ถ้าอาบายสงสารทิฏฐิและทุจริตในสันดานของตนไม่สงบลงในภพนี้เข้าใจคำว่าอาบายสงสารทิฏฐิมคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นเหตุนำไปสู่อาบายกับทุจริตต่างๆคือกายะทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทั้งหลายในสันดานของตน ไม่สงบลงในภพนี้ถ้าไม่สงบลงในภพนี้เราจะไม่หยุดความเพียนในการที่จะกระชากหรือก็สงบเขาไม่ได้ตอนนี้เอาสงบได้ไหมเนี่ยเราสงบกายยโสเจริญได้ยังได้ยังยังมีพาดออกมาเลยไหมเราสงบวิจิตุเจริตได้ยัง สงบมโนโทุจริตได้ยังโลภสงบได้ยังโกรธหลงมิจฉาทิฐิสงบได้ยังนั้นเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งในการบาเพ็ญเพียรบอกว่าถ้าสงบอบายสังสารทิฐิและทุจริตในสันดานของตนยังไม่สงบในภพนี้นะไม่เลิกถ้าเขาสงบเมื่อไหร่เราถึงจะเลิกความเพียร เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งใช่ไหมบอกว่าเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ไม่เป็นไรเพราะเป้าหมายของเราต้องการสงบแหละสงบอบายสังสารและทิฐิทิฐินําไปสู่บายไหมมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราสงบเขาไม่ได้เนี่ยแปลว่าอบายรอยไหมรอไม่รอยโอ้โหนะเอาสิ เราเกิดมาแล้วต้องการแก้ปัญหาให้ใครดีใช่ไหมตอนนี้มิจฉาทิฏฐิสงบได้ยังความเห็นผิดยังไม่ได้ทุติยริทั้งหลายทุติยริทางกายทุติยริทางวาจาทุจริทางใจตอนนี้สงบได้ ย, ยังต้องสงบให้ได้ในพบนี้ไหมเราเคยคิดแบบนี้ไหมต้องสงบให้ได้สงบได้ด้วยอะไรสงบได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาในอริยมรร ถ้ายังผักดันศีลสมาธิปัญญาประชุมในมารคไม่ได้ไม่หยุดความเบียนเพราะเราต้องสงบให้ได้และต้องทำภพนี้อย่าไปคิดว่าเออค่อยเป็นค่อยไปเราเป็นนักเจราจาเถาะจะต่อรองที่ผิดพลาดมากรู้ไหมผิดพลาดมากเขาเรียกว่าถ้าไปเจราจาต่อรองกับกิเดตเราก็แพ้เข้ามาตลอด พอไปต่อรองก็เป็ดเสร็จเออว่างไงมิจฉาทิฏฐิว่างไงทุงจริตสามถามว่าเราเราจะสงบสงขามกันหรือยังเห็นมบอกว่าคุณอย่ามารบกวนกระแสขันกระแสชีวิตเราได้ไหมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไปไปต่อรองกับเขาไหมไปสิไปนั่งเจราจากับเขาดูบอกว่าเมิจฉาทิฏฐิเอเอ ไอ้ทุจริตสมเนี่ยกายทุจริตวิจีทุจริตเมโนทุจริตเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณอย่ามาลุกร้านเราเราก็จะไม่ลุกล้านคุณไปต่อรองสิเราเป็นนักเจราจานี่นักการค้าก็เป็นใช่ไหมไปต่อรองกับไอ้ไี้กิเลสเนี่ยถ้าก็บอกเออเขาก็ยอมแพ้เออถ้าอย่างนี้แปลว่าเราหยุดความเพียรได้แต่เขาบอกไม่อ่ะ เพราะนี่เป็นประเทศเขาก็จะยึดครองให้ได้บอกงั้นเราในฐานะเป็นเจ้าของประเทศเราก็จะไม่ให้คุณเข้ามาในกระแสจิตของเราอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าลมหายใจเราจะขาดนะถ้าเราจะตายก็ชื่อว่าตายในระหว่างที่กระทําความเพียรใช่มอืมตายในระหว่างที่อยู่ในสงครามลบเป็นดีก็่าการอยู่แล้วเป็นเมืองขึ้นน่ะเป็นเมืองขึ้นเน่ยคื่นนี้ไปต่อรอง ไปเจรจ า, าใหม่ที่ผ่านมาเรายอมเขานี่เรายอมเขาหมดเลยใช่ไหมยอมหมดเลยอเขาจะเข้ามาบ้างก็ปล่อยเขาอืปล่อยเขาหมดบางทีเห็นหน้าเขายกมือยกทงขาวเลยมาเรียบร้อยเลยทตเนี้ยแค่จริงจริงจริงจริงไม่น่ายากไหมยากไหมแบบเนี้ย ตรงนี้ท่านถึงพูดถึงว่าถ้าอบายสังสารและสุท ธ, ธิและทุจริตในสันดานของตนไม่สงบลงในภพนี้เราจะไม่หยุดความเพียรเนี่ยนะนั้นสัมมาประทานถ้าเห็นความมุ่งมั่นเหมือนอย่างนี้แล้วก็พึงทราบว่าสัมมาประธานว่าเป็นวิรยิยนีเนาะความพิเศษแห่งการปกครองของวิริยะงั้นบุคคลนั้นย่อมจะทําลายจิตที่ฟุ้งซ่านย่อมรู้ย่อมจะถูกรู้ว่านี่ไงเขาเรียกสัตว์บุรุษ เนี่ยคนดีเป็นแบบนี้ถ้าคนดีก็คือเป็นคนที่ควบคุมจิตสัตสายจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่คุ้มคลั่งด้วยราคาโทสะโมหะได้เขาเรียกคนดีเขาเรียกสัตบุรุษอยากเป็นไหมเนี่ยสัตบุรุษเนี่ยนะสามารถคุมจิตของตนได้ในพระพุทธศาสนาท่านหมายเอาอย่างนี้ท่านหมายเอาอย่างนี้จากนั้นสรุปที่เราศึกษามาทั้งหมดเนี่ยคําว่าคนดีเนี่ยท่านหมายเอาอย่างนี้ หมายถึงคนที่สามารถคุมสถานการณ์เนี่ยไม่ให้จิตนั้นเน่ะฟุ้งซ่านหรือเข้าไปซัดสายในลมที่เป็นวัตถุการมทั้งหลายได้แล้วประการต่อมากันในหมู่ขั้นรหัสกัลป์ปชิตเนี่ยนะผู้ที่ควบคุมจิตที่ฟุ้งซ่านนะให้หายได้หรือไม่หายได้นั่นเนี่ยย่อมอยู่กับการเจริญสติปัฏฐานเนาะทีนี่การเจริญสติปัฏฐานมีอาณาปานะเนี่ย จนสามารถตั้งจิตของตนได้ไม่ให้บาปอกุศลทั้งหลายเข้ามาผูกพันเนี่ยนะสตินีก็เข้าถึงความพิเศษแล้วก็สามารถระงบสงบระ ง, งับได้ถ้าสมาธิถ้าในชั้นของภาวนาเนะสามารถที่จะตั้งมั่นอย่างตามสุดอุปจารสมาธิได้ หรือถ้าเดิน อ, อุบบริกรรมสมาธิได้ก็ไม่ให้บาปแทรกได้ถ้าในลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าสมาธินีเนี่ยก็คือว่าหลุดพ้นจากนิวรณ์อย่างหยาบมีการมชฉันทาพยาบาทีนัมิท้าอุทะจากกุกุจจวิจิกิจชาที่ฟุ้งขึ้นก้มรุมในจิตของตนได้นะก็จะสามารถสงบลงได้ใช่ไหมตอนนี้ได้หรื อ, อยัง เนี่ยถ้าในลักษณะอย่างนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือต้องการที่จะอบรมเจริญทินทรียนสมาทินรีที่เป็นภาวนาสมาทินทรีนี่ที่เป็นระดับภาวนานี่นะในอารมณ์พุทธคุณเป็นต้นอันนี้เพื่อจะทําลายจิตที่พุ่งสั้นเนี่ยนะอย่างเนี้ยถ้าถ้าไม่สามารถสงบจิตเหล่านี้ได้ยังนับว่าเป็นสัตว์กรุษเป็นคนดีไม่ได้ ในศาสนาของพระชินนาเจ้าอันประเสริญนี้นั่นหมายเอาอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เรายังมีเรื่องที่จะต้องขัดเก่าอีกเยอะไหม <c oughs> แล้วจะทอกันไหมเนี่ยไม่ทอเนาะโอ้ยงี้ก็ย่างชัว่วถ้าอย่างนั้นก็ลำบากได้ไหมโอ้ท่านทำไมเอาแรงขนาดนั้นล่ะ ก็แปลกอยากบรรลุธรรมที่เลิ่ ด, ด้วยธรรมะ ท, ที่ที่เลวได้ไหมจากบรรลุธรรมที่เลื่อน ด, ด้วยธรรมะ ท, ที่ที่เลิวใช่ไหมเราจะโอ้อยากเขบรรลุคุณธรรมสูงสูด้วยโลภะโทสะโมหะได้ไหมไม่ได้บางคนปฏิบัติไปนะี่ยแตปสงกอยู่นั่นแหละแล้วบอกว่าได้ไ ด, ได้ได้อารมณ์แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ได้สภาวะก็เงิน มาก็ไปนั่งดู อ, อแปลกสภาวะทำไมหัวทิมถึงจะติดดิน <c oughs> เ้าอาติดสภาวะก็งั้นโยกอยู่นั่นแหละโยกไปก็โยกมาโยกเอ้เราก็ยี้พระก็มาเล่ามาฟังโอ้แต่งยา้ลงไปดูทิได้สภาวะมาแปลกดีไม่เคยเห็นในคำสอนในสภาวะอะไรดูหัวทิมดินอยู่เลยก็ไปผัดไปแล้วมันมันมันโยก มาว่างทิติดเกันนะนั่งนั่งแล้วก็โยกโยกไปกขา้ขางนั้นข้างนั้นข้างนั้หาชอบ ท, ทิิเห็นดีด้วยไปยใหญ่เลยทีนี้นั่งที่ใดก็โยกลุกทีนั่งที่ใดก็โยกลุกทีทีนี้ถ้าหากว่าปัญญีสีที่เป็นภาวนาท่านใช้คําว่ากัตถาปัญญทตียงตัดทัทธพังเป็นต้นเจตูสุอริยสอริยสัจเยสุเนี่ยนะผู้ที่ได้เกิดมาพบเจอพบ พุทธศาสนาของพระบรมศาสดาการรู้สัจจคตสี่ประการเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนาะถ้าได้รู้สัจจคตทั้งสี่คือทุกข์โสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยย่อมสามารถหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์จากทุจริตต่างๆแล้ก็ทิฏฐิต่างๆได้กายจะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นต้นนีแล้วก็ทิฏฐิต่าง ๆ, านนางๆอบายสังสาระแปลว่าว่ตัดสองสารคือการที่ไปทิมลงในใบพภ่มเนี่ย ตอนนี้เราปิดไม่ได้ตอนนี้นะภัยอันนี้เรายังสงบไม่ได้เรายังดับไม่ได้ฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเราท่านทั้งหลายควรที่จะหยุดความเพียรนรืยังหรือเราให้สังเกตว่าถ้าศรัทธาเรายังไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นปัจจัยแก่วิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เป็นปัจจัยแก่ศรัธทธาเป็นต้นเหล่านี้นะ ถ้าสภาพที่อินทรีย์ของเรายัางยังแค่เนี้ยแปลว่าอ่อนหมดทุกตัวตอนนี้นะทุกตัวอ่อนหมดยันปัญญาใช่ไหมอ่อนหมดทีนี้พออ่อนอย่างเงี้ยแปลว่าต้องต้องระดมและถ้ามองในชั้นของนักการค้าทั้งหลาย มีโอกาสเจ๊งไหมเจ๊งนะแต่ตอนนี้เราเพิ่มแล้วเนาะเริ่มเห็นช่องทางแล้วโอกาสที่จะร่ำรวยมีอยังไงตอนนี้ร่ำรวยอรียรั์มีแล้วตรงนี้ก็คือว่าย่อมสามารถหลุดพ้นไดจากอย่างสมบูรณ์นะจึงควรภาคเพียนก็คือว่าภาคเพียนยังไงก็ภาคเพียนในลักษณะที่ว่า การที่เราจะศึกษาเนี่ยนะก็คือเพียงทำความเข้าใจให้ชัดฟังไหมต้องฟังไหมต้องปริปุญฉาไหมสอบถามเพ่งดูมนศษยการเพื่อหเห็นสัจจสีประการนั่นเองนั้นะเป้าหมายก็คือว่าหนึ่งข้อมูลต้องดีนะตอนนี้เข้าพอมูลนักเดินทางกับนักปฏิบัติไม่ต่างกันแผนที่ต้องชัด นอกจากแผนที่ชัดแล้วต้องเพิ่มศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไหมถ้างั้นจะไม่กล้าเดินทางที่ถูกเพราะกลัวว่าจะไปคนเดียวไงสมมติเอามามาชวญ ช, ชวนใครไม่มีใครไปแล้วเอามาโอ้เขาก็ไม่ไปกันก็ไม่รู้จะไปทาไมเสมอติดอย่างเงนี้ยแปลว่ า, ามาไม่กล้าใช่ไหมเอาอ่างพวกเราเนี่ยศึกษาพระธรรมไเสร็จ เกิดเราเข้าใจพระธรรมนะไปถามลูกถามสามีถามภรรยาถามบุตรถามเพื่อนพี่น้องไม่มีใครเอากับเราเลยศรัทธาตกไหมตกไหมเอาคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เอาเลยประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยว่าไงว่ากันเอาไม่แบบนี้เขาต้องกล้าเดินนง ถ้าหากว่าฉะนั้นก็บอกว่าการกระพริบตาครั้งหนึ่งและฟ้าแลบครั้งหนึ่งในพบเนี้ยถ้ากรรมาฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยปรากฏชัดอย่างดีในญาณในปัญญาไม่ต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะปฏิบัติพิเศษในธรรมที่เหลือเลยถ้าได้เห็นสัจจะถ้าเห็นนะสมมตินะถ้าเราจเจริญเอาธาตุกิดาหรือเจริญอ า, อ า, าณาปนะใช่ไม จนสามารถได้อุปจารและอัปนาสมาธิแล้วต่อมาต่อสามารถเดินต่อได้จนเห็นอันนี้จะทำใช่ไหมทุกขธรรมและอนัตตธร ร, รมเห็นอสุภธรรมอย่างชัดแจง้งเป็นต้นนั่นเนี่ยจนอนัตตาปรากฏชัดเจน ย, ย่อมสามารถสําเร็จลงได้อย่างไม่เหลือจนถึงอะไรทั้งนในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันประสบความสําเร็จ เราเราต้องนึกอย่างนี้นะว่าการที่เราจะไปแทงตลอดนี่ยนะในการที่เพียรพยายามศึกษาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เข้าใจอริยาศาสตร์แล้วก็เข้าใจในการที่จะแทงตลอดขันทาราิยตนะเนี่ยนะเพราะเราต้องการอยากจะออกจากจิตที่มันวิปริตเพราะตอนเนี้ยเราต้องเข้าใจเราก่อนว่าตอนนี้เราความเห็นของเรานั้นมันไม่ตรง ของไม่งามเนี่ยเราไปเห็นว่างามเนี่ยอันนี้วิปริตแล้วของที่ไม่เที่ยงแต่เรายังไปเห็นว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์เราไปเห็นว่าเป็นสุขของที่เป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเนี้ยก็เพราะว่าการที่เรายังระดมการทําความเข้าใจไม่ชัดแล้วก็ไม่ได้เพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาให้ต่อเนื่องสภาะวะธรรมต่างๆที่จะปรากฏชัดในกระแส ใจและความรู้สึกมันไม่เกิดความวิปริตคือการยึดถือที่ตรงกันข้ามในธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่นะในธรรมที่ไม่งามว่างามในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลว่าเป็นสัตว์บุคคลเนะี่ยไม่ใช่คนว่าเป็นคนในสิ่งที่ไม่ใช่เทวดาพระ อ, อินทร์พระพรมเป็นต้นเนี้ว่าเป็นเทวดานะี่ยเรายึดหมดเลยนะ ทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่วัวควายช้างมา้าสตรีเป็นตัวหนอนนี่ว่าช้างมา้าความหมายคั้นนี่จิตเราจิตเรามีปัญหานะจิตเรามีปัญหาแล้วนะถ้าวิจัยเข้าไปจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยสัตว์บุคคลเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหลายเนี่ยสภาวะธรรมมันเป็นแบบนั้นแต่การที่เราไม่เห็นเนี่ยแปลว่าจิตเรามีปัญหาไหม แล้วคนส่วนใหญ่มีจิตมีปัญหาหมดไหมฉะนั้นความวิ ป, ปรลาศความวิ ป, ปริตของสัตว์ทั้งหลายในโลกใบเนี้ยภาษาสดาก็อุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อมาบอกความจริงไงแต่แต่มาบอกพระธรรมที่สัตว์ไม่เคยเห็นเนี่ยมันจึงจึงภาษาหรือการสื่อภาษาสดาจึงท้อพระทยไง การอุบัติเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะพระธรรมที่ปรากฏในยานปัญญาของพระบรมศา ส, สดานั้นลึกไหมลึกซึ้งมากเห็นได้ยากไหมยากมากที่สัตว์ที่มียานปัญญาในจกักษุน้อยเนี่ยมีทุลีในดวงตาคือกิเลสหนาเนี่ยจะเห็นธรรมของพระาศาสดาในะยากใช่ไหมพระสัตวยึดติด ก, กันหมดไหมพ่อเราแม่เราลูกเราสามีภรรยาใช่ไหม เห็นเป็นช้างมา้าวัวควายหมดเนี่ยเห็นเป็นเรือได้เอาสิดินน้ำไฟลมเนี่ยสีกิร์ลโดชาธาตุเนี่ยเนี่ยเห็นเป็นสลาได้อะใช่ไหมเราไปเห็นว่าดินน้ำไฟลมเป็นลูกเนี่ยว่าวิปลิสไหมอันนี้พูดอย่างภาษานักธรรมะเนี่ยนนี่แปลว่าความเห็นของใครมีปัญหาไม่ใช่ของพระเจ้าเนี่ยนอนใช่ไหมพระบรมศาสดา บ, บอกว่า ธาตุดินใช่ไหมเหมือนพระเจ้าให้เราแยกอ๋อผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราก็ไปยึดติดบัญญัติว่าผมขนอีกพระศ า, าสดาบอกให้แยกต่อไปแยกแค่นั้นไม่พอไม่ทักโขไม่ชํานานเธอเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าเป็นใช่ไหมเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นภิกษุภิกษุณีบาศกและเป็นอุบาสิกาเนี่ยตถาคตชํานาญเนี่ยแยกไง ในผมมีดินไหมมีน้ำในนั้นไหม ม, มมีธาตุไฟไหมมีธาตุลมไหมมีสีไหมผมเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยมีกลิ่นไหมมีรสไหมมีโอชาไหมไม่มีโอช า, อ, ชาอาหารและรลูปอยู่นั้นด้วยโอชาก็ไปหล่อเลี้ยงเส้นผมอยู่ในแต่ที่กินอาหารเข้าไปเนี่ยแต่พอรวมกันเป็นแท่งสัตว์ทั้งหลายบัญญัติว่าเป็นผม แต่ละประเทศก็เรียกต่างกันออกไปไหมเห็นไหมบัญญัติตรงเนี้ยปิดตาปิดใจของบริษัทของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าบอกเธอวิปลิตแล้วเธอวิปลิตมณสิกาหน่งนะั้นเธอไม่เห็นความจริงของสังขารธรรมพระองค์ก็มาแยกให้ดูพอแยกเสร็จงงงงไม่เข้าใจงงใช่ไหมมันงงอ่ะแย่หนงั้น ทีนี้เราลองไปนั่งแยกพิจารณาดูทีหนักเข้ามันจะแยกเลยทุกเรื่องอันนี้ระดับยานปัญญาระดับฟังเนอะแล้วลองไปนั่งใกล้ควรพิจารณาจากจิตที่เป็นสมาธิออกจากสมาธิเอาสมา ธ, เามาธิเป็นฐานในการวิจัยจะลึกไหมละเอียดไหมทําเกิดโมฆะอยู่เข้ากับเข้าสมาธิใหม่ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาวิจัยต่อทำเรื่อยๆได้ไหม วันหนึ่งเข้าสมาธิร้อยครั้งวิจัยร้อยครั้งบอกยังไม่ได้สมาธิสักสมาธิไม่รู้จะไปเข้าอะไรใช่ไหมไม่รู้จะไปเข้าอะไรเข้าได้แต่โลภะออกมาพิจารณาเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นลูกอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่มีฐานของศีลสมาธิเลยไอ่ตรงนี้ไงก็เริ่มมองเห็นเห็นภาพตัวเองแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนะี่ยาอ๋อเราไม่มีฐานสมาธิที่เป็นที่ตั้งของปัญญา พอสมาธิพิกเวภาเวถาสมาัยตัวยะถาภู้ตังประชานาติใช่ไห อ, อบอกว่าดูก่อนวิกษุท์ทั้งหลายเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ท่านหมายถึงสมาธิที่เป็นประธาตฐานของวิปัสนาปัญญาเนอะพระอาจารย์พดีกาจารย์ท่านหมายตัวนี้เนะเพราะท่านปฏิบัติมาท่านเข้าใจมานะแต่เราก็ไม่เข้าใจอ้ยไม่ได้แล้วสุขวิปาาัสสกะไม่ต้องอาศัยสมาธิาไปกันใหญ่เลยแต่นี้ใช่ไหมอาสุขวิปัส อากาศต้องอาศัยมสมาธิไหมต้องอาศัยบริกรรมมาสมาธิยังไงต้องอาศัยที่ไม่มีสมาธิเราจะเป็นปัจจัยในการวิจัยได้ไหมล่ะไม่ได้กินอะกินไหมคนไม่มีสมาธิเนี่ยการมาฉันทะก็กินพยาบาทก็กินถีนมิทะก็กินเอาที่เดินไปทีอุทะจาก็กินวิจิกิชาก็กินเอานิ้วอนก็กินใช่ไหมเอาวิชาความควา ม, ความหลงความมืดบอดแหง่งจิตก็กิน อาเนี่ยไม่มีสมาธิปฏิเสธดีนะไปสมาไปปฏิเสธมรคของพระศ า, ศาสดาเขาให้หักชิ้นนจักไหมหักชิ้นนจักของพระผู้มีภาคเจ้าเป็นโทษหรือเป็นคุณเป็นโทษอีกโอ้ไม่รู้โอ้อย่าแปลกใจเลยนะขอขมาปะขอขมาปะ <c oughs> พูดผิดมาเยอะแล้วเนี่ยทำไงดีล่ะใช่ไหมต้องขอขมาไหม ขอเข้ามาบ่อยๆแนดิดทุกไถ่ทำผิดอย่างนี้มาเยอะอัตยาใัยผิดจริงแรงแล้วเกินใช่ไหมขอเข้ามาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุนะดีไหมขอเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็มานั่งทําผิดต่อไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมเราต้องการจะขัดเกลาตัวเองเนี่ยขอเขามาไปเสร็จ ต, ต้องต้องตระหนักว่าเราเคยทําผิดจริงไหมต้องตระหนักนะะต้องสํานึกถึงพระคุณของพระาศาสดาว่า โทษแต่การที่ไม่เชื่อฟัง菩าสดาไม่เห็นคุณของ菩าสดาไม่เข้าถึงธรรมของ菩าสดานี่แหละปฏิบัติผิดต่อ菩าสดามายัางยาวไกล菩าสดาเตือนแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมมัวเออละเฮ้ยลอยลมอยู่นี่ละประมาทพลาดพังใช่ไหม菩าสดาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิตอันใดที่ต ถ, ถาคตพึงทําแก่เธอ ดูก่อนภิกษุณีทั้งหลายกิจอันใดที่ตถาคตพึงกระทําแก่เธอดูก่อนอุบาสกทั้งหลายดูก่อนอุบาสิกาทั้งหลายกิจอันใดที่ตถาคตพึงจะกระทำแก่พวกเธอกิจอันนั้นตถาคตทําแล้วบริบูรณ์แล้วดูก่อนบริษัทธ์สีทั้งหลายนุ่นใช่ไหมสถานที่สงบละ ง, งับทั้งหลาย เธอจงเข้าไปสถานที่สงบและดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงมักถึงหรือยังได้สักมักหรือยังตอนนี้ยวันหนึ่งก็เดินมิจฉามักกันบ่อยมากใช่ไหมพระองค์หมายถึงสัมมามากักหมายถึงอริยามากักเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมคืออริยผลที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้แจ้งคือพระนิพพานของพระโสดาบันเป็นต้นที่ยังไม่ไทําให้แจ้ง อย่าได้มานั่งเศร้าโศกเสียใจในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราเตือนเธอทั้งหลายพระศ า, าสดาพระองค์ทำกิจของพระองค์บริบูรณ์นี่ยังแล้วก็บอกพวกเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามานั่งเศร้าโศกไหมตอนนี้เราประสบชาติที่ทุกข์อยู่ไหมเนี่ยชลาทุกข์อยู่ไหพยาที่ทุกข์อยู่ไหมบรารณะทุกข์เพราะนยัง โศกความโศกความลำลายลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยไม่เชื่อท่านไม่เชื่อไม่ตั้งมัน่นไมไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าไงพระเจ้าทำกิจของพระองค์เสร็จหรือยังเราทำกิจของตนเองได้หรือยังตอนนี้ตอนนี้เริ่มหรือยังเริ่มเลยนะเดี๋ยวเธอคอยตามดูผลเลย ดีวต้องช่วยตรวจฝอฝนว่าเริ่มไปถึงไหนไม่ใช่ว่าอ้าวเห็นทาทีทมท่าเริ่มพอหยุดการอบรมไปพวกได้ข่าวไปเที่ยวซะแล้วได้ข่าวไปเที่ยวซะแล้วมีโครงการวางแผนไปเที่ยวถามบอกว่าคลายเครียดปฏิบัติฆ่าหกวันก <laughs> แปลกบางคนนแปลกโอ้ที่บัตรเครียดใครเคยเป็นแบบนั้นไหม บางทีต่อรองกันลูกไว้เนะี่ยเดี๋ยวแม่ออกจากปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวบ่างั้นอะไรก็ไม่ยอมกิเลสมากเป็นอย่างนี้ไหมพอมีอย่างนั้นด้วยหรือโอ้คิดว่าไม่มีจริงโอ้น่าเศร้าใจจนโอ้ความเพียรก็ออกมามีผลไหมเนี่ยมีไหมไอ้ความเพียรก็ออกมานี่มีผลไหมมีมีผลแกธรรมมาหรือมีผลแก่พวกเรา บางทีออกมาต้องคิดยังไง ร, รู้ไหมเดี๋ยวนี้ไปแสดงทำออกมาเออได้เจริญกุศลแล้ว <c ười> คิดแค่นี้เองบางทีอ่ะเพราะได้ทําหน้าที่แล้วแต่ก่อนตั้งใจมากเลยนะตั้งใจมากโอ้โหนี่เขาตั้งใจฟังกลับไปเจอใจเขาคงบ่มเป็นวมเปียนเดินตามทางศีลภาวนากันอย่างเต็มที่พอต่อไปไปเจอหน้าเป็นไง ย, ยอมการเจริญกรรมาฐานทิ้งหมดแล้วท่าน <c ười> โดเสร็จเลยแล้วเนี่ย เออแปลกจริงๆนะเอ๊ะเป็นเขาศรัท ธ, ธาเขาเขาไม่รักษานี่ศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะให้ใครรักษาให้ต้องรักษาเองเนี่พระจะรักษาเราได้ไหมไม่ได้เพราะพระก็ต้องรักษาท่านใช่ไหม <c oughs> มัวงก็ดึงยุ่งเลยตอนเนี้ยตนเองเสียตัวเองเลยเนี่ยงั้นตรงนี้ก็ ทรัพย์สมบัติชีวิตเนี่ยบางทีมันยังรักษาได้บ้างเนะใช่ไหมแต่ศรัทธาเนี่ยทุกคนต้องดูแลเองศรัทธาเป็นต้นนะต้องดูแลเองถ้าทุกขสัจจะปรากฏเนาะคือถ้าหากสามารถหลุดพ้นจากจิตที่วิปลิตเนี่ยนะย่อมเป็นสัตว์บุุษผู้สามารถควบคุมจิตได้แล้วเพราะ ในพระรู้ความจริงในพระพุทธศาสนาเนี่ยเลยตอนนี้เรายังไม่รู้ความจริงใช่ไหมเรารู้ความเราได้แต่ว่าเราฟังความจริงอยู่ตอนนี้แต่เรายังไม่รู้เข้าถึงหรือเห็นความจริงอย่างชัดประจักษ์ใช่ไตอนนี้เราฟังความจริงก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะเดินเข้าสู่ความจริงนั้นมั่นใจไหม คำสอนของพุทธเจ้าตั้งมั่นใจแล้วก็อันนั้นเป็นแนวทางผหมดเวลาแล้วนะี่หมดไปเลยอ่อยไปหมมีใครจะถามปัญหาสักข้อไหมอ่ะให้หนึ่งข้อเนะี่ยมีไหมไม่มีเลยโอ้ไม่สงสัยเลยแลกดีจังอ้าวไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวเอาไว้ช่วงต่อไปเนาะลงคืนเอาไว้อุทิศวนกุศลหรืออะไรก็เอาไว้ช่วงนู้นเลยนะแต่แต่ต้องเก็บบุญไว้ด้วยนึงไม่ใช่ว่าเออพอนั่นเบ็ดเสร็จก็บุญเลยอย่างนี้ต้องรักษาจิตเป็นกุศลนี้อมทนาด้วย